อธิบายบรรลุตติยาชาก็แลครั้นได้บรรลุทุติยาชาแม้นั้นด้วยประการชนนี้แล้วโยกีบุคคลผู้มีวสีอันได้สั่งสมดีแล้วด้วยอาการห้าอย่างโดยในญาที่กล่าวแล้วในปฐมฌานนั่นแหละออกจากทุติยาชาที่คล่องแคล่วดีแล้วแต่นั้นพิจารณาเห็นโทษในทุติยาชา น, นั้นว่า สมาบัตินี้อย่างใกล้ต่อวิตกและวิจารอันเป็นค่าศึกแล้วว่าสมาบัตินี้มีองค์อนุรพลเพราะเป็นสภาพที่หยาบด้วยปีติที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ว่าปีติในทุติยชา น, นั้นใดซึ่งทำใจให้กำเริบทุติยชา น, นั้นจึงปรากฏเป็นสภาพที่หยาบเพราะปีตินั้น เชนนี้แล้วพึงมนาสิการถึงตัติยะฌานโดยเป็นสภาพที่ละเอียดคลายความยินดีในตุติยะฌานแล้วพึงลงมือทำความเพียรเพื่อบรรลุซึ่งตัติยาชฌานต่อไปและการใดเมื่อโยคีบุคคลออกจากตุติยะฌานแล้วมีสติมีสัมปชัญญะพิจารณาองค์ฌานอยู่นั้นปีติก็จะปรากฏโดยเป็นสภาพที่หยาบ สุขกับเอกคตาจะปรากฏเป็นสภาพที่ละเอียดการนั้นขณะที่โยคีบุคคลมณสิการถึงปฏิภาคนิมิตนั้นนั่นแหละอย่างเล่าๆเล่ า, ล า, ล า, ลาว่าปัทวีปัท ว, วีหรือดินดินเพื่อละเสียซึ่งองค์ฌานที่หยาบและให้ได้มาซึ่งองค์ฌานที่ละเอียดอยู่นั้นมนูทวาราวัชนะจิตก็จะตัดะวังกจิตเกิดขึ้น เหมือนจะเตือนให้รู้ว่าตติยะฌานจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วถัดนั้นในอารมณ์ปฐวีกสินนั้นนั่นแหละชาวนาจิตก็ลั่นไปสี่ขณะบ้างห้าขณะบ้างตามควรแกโยคีบุคคลที่เป็นติขะบุคคลและมันทะบุคคลบรรดาชาวนาจิตสี่หรือห้าขณะนั้นดวงหนึ่งสุดท้ายเข้าเป็นรูปาวจรกุศ ล, ลจิต กันตติยะฌานส่วนสามหรือสี่ดวงที่เหลือข้างต้นเป็นการมาวาจรคุศลจิตตามในยะที่กล่าวแล้วในทุติยะฌานนั่นแหละก็แหละด้วยลำดับแห่งภาวนาวิธีมีประมาณเพียงเท่านี้เป็นอันว่ายโยคีบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติมีสัมปัชัญญาเห็นเสมอกันอยู่ เกาก้าวลวงซึ่งปีติและเพราะวิตกและวิจาร์สงบไปและได้เสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุแล้วซึ่งตติยชฌานอันเป็นเหตุให้พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เห็นเสมอกันมีสติอยู่เป็นสุขฉะนี้ตติยชฌานปฐวีกษินอันละองค์หนึ่งประกอบด้วยองสองมีความงามสาม สมบูรณ์ด้วยลักษณะสิบย่อมเป็นอัญโยคียบุคคล น, นั้นได้บรรลุแล้วด้วยประการชนนี้อธิบายเพราะก้าวล่วงซึ่งปีติบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเพราะก้าวล่วงซึ่งปีติมีอ ธ, ธิบายดังนี้ความเบื่อหน่าย หรือความก้าวล่วงซึ่งปีติอันมีประการดังกล่าวแล้วชื่อว่าวิราคะแปลว่าความก้าวล่วงปีติส่วนจะสับระหว่างบททั้งสองคือปีติจะวิราคะความหมายว่ารวบรวมกล่าวคือจะสับนั้นรวบรวมเอาซึ่งความสงบหรือซึ่งความสงบไปแห่งวิตกและวิจาร ในสองอย่างนั้นคราวใดจะสับรวมเอาความสงบแต่อย่างเดียวคราวนั้นนักศึกษาพึงทราบการเรียงเข้าประโยคดังนี้ปีติยาจะวิราคากินจิพินโยอุปสมาจะแปลว่าเพราะเบื่อหน่ายปีติและความสงบโดยยิ่งยิ่งขึ้นไปและในการเรียงประโยคเช่นนี้วิราคาสับ แปลว่าความเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นพึงทราบความหมายว่าเพราะเบื่อหน่ายปิติและความสงบชะนี้แต่คราวใดจะสับรวมเอาความสงบแห่งวิตกและวิจาร์ด้วยคราวนั้นนักศึกษาพึงทราบการเรียงเข้าประโยคดังนี้ปิติยาจะวิราคากินจะพินโย วิต ก, กะวิจารณัญจะบุปะสมาซึ่งแปลว่าเพราะก้าวล่วงปีติไปและเพราะความสงบแห่งวิตตกและวิจารณโดยยิ่งยิ่งไปและในการเรียงเข้าประโยคเช่นนี้วิราคะสั์แปลว่าก้าวล่วงเพราะฉะนั้นพึงทราบความหมายว่าเพราะก้าวล่วงปีติไปและเพราะความสงบแห่งวิตตกและวิจารณ์ นนถึงวิตตกและวิจารทั้งสองนี้ได้สงบไปแล้วในตุติยะชาณ น, นั้นก็จริงแต่ที่ท่านนำมาแสดงไว้อีกก็เพื่อที่จะประกาศแนวทางอันเป็นอุบายของตติยะชาณ น, นี้และเพื่อจะสรรเสริญคุณของตติยะชาณ น, นี้จริงทีเดียวเมื่อพนานาว่าเพราะความสงบไปแห่งวิตตกและวิจารชันนี้ ตติยะฌานนี้ย่อมปรากฏเด่นชัดความสงบไปแห่งวิตกและวิจารจึงเป็นแนวทางของตติยะฌานนี้อย่างแน่นอนเหมือนอย่างในอริยามรรคที่สามคืออนนาขามีมรรคท่านพณ น, นาถึงการประหารสัญน์ทั้งหลายแม้ที่ไม่ได้ประหารมีสั ก, กยะทิฏฐิเป็นต้นว่าเพราะประหารสัญน์เบื้องตามห้าประการชนี้ ก็เป็นการสรนเสริญคุณอริยามรรคที่สามนั้นคือเป็นการยังความอุตสาหะให้เกิดแก่ผู้ขวนขวายเพื่อจะบรรลุอริยามรรคที่สามนั้นฉันใดความสงบไปแห่งวิตกและวิจารณ์แม้ที่ไม่ได้สงบซึ่งท่านพันนนาในตัติยาชานี้ก็เป็นอันสันเสริญคุณแห่งตัติยาชานี้ฉันนั้นเหมือนกันด้วยเหตุนั้นจึงได้ทรงแสดงความหมายว่า เพราะการก้าวล่วงปีติไปและเพราะความสงบไปแห่งวิตกและวิจารณ์ด้วยประการชนนี้อธิบายเป็นผู้เห็นเสมอกันอยู่ในคำว่าเป็นผู้เห็นเสมอกันอยู่นี้มีอ ธ, ธิบายดังต่อไปนี้ธรรมชาติใดย่อมเห็นโดยกำเนิด คือเห็นเสมอกันเห็นไม่ตกไปในฝ่ายฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอุเปกขาโยคีบุคคลผู้เข้าอยู่ในตติยฌานเรียกว่าอุเปกคโกผู้เห็นเสมอกันเพราะประกอบด้วยอุเปกขานั้นอันบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ถึงซึ่งความมั่นคง อุเบกขา10ประการก็แลอุเบกขานั้นมีสิบประการคือหนึ่งฉลังคุเปขาอุเบกขาประกอบด้วยองค์หก 2. พรหมวิหารุปเปขาอุเบกขาพรหมวิหาร 3. ามโพชังคุเปกขาอุเบกขาสมโพชงสี่ วิริยุเปกขาอุเบกขาคือวิริยะ 5. สังขารุเปกขาอุเบกขาในสังขาร 6. เวทนุเปกขาอุเบกขาเวทนา7วิปัสนุเปกขาอุเบกขาในวิปัสนา 8. ตัตธรรมัชาตุเปกขาอุเบกขาเจตสิก9 ชานุเปขาอุเบกขาในชานและสิบปาริสุดทุเปกขาอุเบกขาบริสุทธ์จาก่าศึกอธิบายฉลังคูเปขาในอุเบกขาสิบประการนั้นอุเบกขาของพระขีณาสพอันใดคืออาการที่ไม่ละปกติภาวะอันบริสุทธ์ ในคลองแห่งอารมณ์หกทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิธารมณ์ในทวารทั้งหกซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นพระอระหันตขีณาศพในศาสนานี้เห็นรูปด้วยจักสุแล้วย่อมไม่ดีใจย่อมไม่เสียใจเป็นผู้มีสติสำปัติชัญญะเห็นเสมอกันอยู่อุเบกขานี้ชื่อว่าฉลางังคูเปกขา รมมวิหารุเปขาอุเบกขาอันใดคืออาการอันเป็นกลางๆในสัตว์ทั้งหลายซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่าภิกษุมีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปทางทิศหนึ่งอยู่อุเบกขานี้ชื่อว่าพรมมวิหารุเปขาโพชังกุเปขา อุเบกขาอันใดคืออาการอันเป็นกลางๆในสหาชาตธรรมทั้งหลายซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่าภิกษุย่อมยังอุเบกขาสมโพธชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยนิพพานให้เกิดขึ้นอุเบกขานี้ชื่อว่าโพชังคุเปกขาวิริยุเปกขาอุเบกขาอันใด กล่าวคือความเพียรที่ไม่ตึงเกินไปและที่ไม่หย่อนยานเกินไปซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่าภิกษุผู้โยคีบุคคลย่อมมณสิการถึงอุเบกขานิมิตตลอดกาลโดยการอุเบกขาี้ชื่อว่าวิรยุเปกขาสังขารุเปกขาอุเบกขาอันใด ที่พิจารณาค่าศึกมีนิวรณเป็นต้นโดยสภาวะแล้วจึงลงความเห็นซึ่งมีอาการเป็นกลางๆงในการยึดถือสังขารอันมาแล้วอย่างนี้ว่าสังขารุปเปกขาทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งสมถะมีเท่าไหร่สังขารุปเปกขาทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยอำนาจมีวิปัสสนามีเท่าไหร่สังขารุปเปกขาเกิดขึ้น้วยอานาจสมถะมีแปด สังขารูปเปกขาเกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสสนามีสิบอุเบกขานี้ชื่อว่าสังขารูปเปกขาเวทนุเปกขาอุเบกขาอันใดที่รู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขคือเฉยเฉยซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยใดกามาวาจรกุศ ล, ลจิตอันประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้น อุเบกขานี้ชื่อว่าเวทนุปเปกขาอุเบกขาอันใดคือความเป็นกลางกลางในการพิจารณาซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่าขันห้าไดมีอยู่ขันห้าไดปรากฏชัดโยคีบุคคลย่อมละขันห้านั้นย่อมได้อุเบกขาในขันห้านั้นอุเบกขานี้ชื่อว่าวิปัสสนุปเปกขา ตัตตรมะมัชตตุเปขาอุเบขาอันใดที่ยังสหาชาตธรรมทั้งหลายให้เป็นไปเสมอกันซึ่งมาแล้วในเยวาปนาก伽ธรรมทั้งหลายมีชันทะเป็นต้นอุเบขานี้ชื่อว่าตัตตรามัชตตุเปขาชานุเปขา อุเบขาอันใดที่ไม่ให้เกิดความเอีย ง, ยงไปในฝ่ายแม้ในฝ่ายสุขอันเลิศนั้นก็ตามซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่าและเป็นผู้มีสัมปัตชัญญาเห็นเสมอกันอยู่อุเบคานี้ชื่อว่าชานุเปขาปาริสุทธุเปคาและอุเบขาอันใดที่บริสุทธิ์จากค่าศึกทั้งปวง มีนิวรณ์และวิตกวิจารณ์เป็นต้นมีอันไม่ขวนขวายแม้ในการสงบแห่งธรรมะอันเป็น่าสึกเพราะธรรมะอันเป็น่าสึกเหล่านั้นสงบไปแล้วซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่าจตุทธะชานอันมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอุเบกขานี้ชื่อว่าปาริสุทธุเบกขา อุเบกขาหความหมายเหมือนกันในบรรดาอุเบกขาสิประการนั้นอุเบกขาหกประการเหล่านี้คือจะลงคุเปขาปรมวิหารุเปขาโพชังคุเปขาตัตรมัชาตุเปขาชานุเปขาและปาริสุทุเปขาโดยใจความเป็นอย่างเดียวกันคือเป็นตัตรมัชาตุเปขานั่นเอง แต่ความต่างกันแห่งอุเบกขานั้นนี้ย่อมมีด้วยความต่างแห่งอวัตถาน น, นั้นๆเช่นเดียวกับความต่างกันแม้แห่งบุคคลคนเดียวย่อมมีได้ด้วยอำนาจแห่งความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นผู้ใหญ่เป็นเสนาบดีและเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นเพราะเหตุนั้นนักศึกษาพึงทราบว่าในบรรดาอุเบกขาหกประการนั้นสลังคุเบกขามีณที่ใด ณที่นั้นย่อมไม่มีโพชังคุเปขาเป็นต้นและหรือโพชังคุเปขามีาที่ใดณที่นั้นย่อมไม่มีฉลางคุเปขาเป็นต้นคำว่าตัตตระมัชชตตาเป็นชื่อของเจตสิกดวงหนึ่งในโสภณะเจตสิกยี่สิบห้าตัตตระมัชชตตาเจตสิกนั้น มีหน้าที่ทาจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกันให้เป็นไปสม่ำเสมอกันในหน้าที่ของตนของตนไม่ให้ยิ่งละย่อนจึงจัดเป็นตัต ร, ระมัชตะตุเปกขาอุเบกขาสองความหมายเหมือนกันและอุเบกขาหประการนี้โดยความหมายเป็นอย่างเดียวกันฉันใด แม้สังขารุปเปกขากับวิปัสนาุเปกขาโดยความหมายก็เป็นอย่างเดียวกันฉันนั้นจริงอยู่อุเบกขานั้นก็คือปัญญานั่นเองที่แบ่งออกเป็นสองประการด้วยอำนาจทำหน้าที่ต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาไม้เท้าแพแล้วค้นหางูซึ่งเลื้อยเข้าไปในเรือนในเวลายัเย็นไปพบงูนั้นนอนซ่อนอยู่ในหลังกลับ ไรควรอยู่ว่าจะเป็นงูหรือไม่ใช่หนอครั้นเห็นลายดอกจันสามแฉกแล้วก็หมดสงสัยแต่นั้นย่อมเกิดความเป็นกลางกางในการพิจารณาที่ว่าจะเป็นงูหรือไม่ใช่งูนั้นฉันใดเมื่อโยคีบุคคลผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่นั้นเห็นลักษณะทั้งสามของสังขารด้วยวิปัสสนาญาณแล้ว ความเป็นเฉยเฉยในการพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นฉันนั้นความเป็นเฉยเฉยนี้ชื่อว่าสังขารูปเปรขาและเมื่อบุรุษนั้นใช้เมถาวรแพะกดงูไว้อย่างแน่นแล้วคิดค้นหาวิธีการที่จะปล่อยงูอยู่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะไม่เบียดเบียนงูนี้ให้ลำบากด้วย ไม่ให้มันกัดเราด้วยแล้วปล่อยมันไปชนี้ความเฉยเฉยในการกดงูไว้นั้นย่อมมีชันใดเมื่อโยคีบุคคลผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่นั้นเห็นพบทั้งสามเป็นเหมือนถูกไฟเผาเพราะได้เห็นลักษณะทั้งสามของสังขารย่อมเกิดความเห็นเฉยเฉยในการยึดถือสังขารฉันนั้นเหมือนกัน ความเห็นเฉยเฉยนี้ชื่อว่าสังขารุปเปกขาด้วยประการชนี้เมื่อวิปัสสนุปเปกขาสำเร็จแล้วเมื่อสังขารุปเปกขาก็ย่อมเป็นอันสำเร็จแล้วเหมือนกันและอุปเบกขานี้แบ่งออกเป็นสองประการด้วยการทำหน้าที่คือความเฉยเฉยในการพิจารณาและการยึดถือดังพันานามานี้ อุเบกขาสองความหมายต่างกันส่วนวิริยุเบกขากับเบทนุเบกขาสองอย่างนี้โดยความหมายต่างกันเองด้วยต่างจากอุเบกขาทั้งหลายที่เหลือด้วยอุเบกขาที่ประสงค์ณที่นี้บรรดาอุเบกขาสิบประการนั้นณนะที่นี้ประสงค์เอาชานุเปกขาเท่านั้น ชานุเปกขานั้นมีความเป็นกลางๆงเป็นลักษณะมีความไม่ห่วงใยเป็นรสมีความไม่ขวนขวายเป็นอาการปรากฏมีความสั่งหายไปแห่งปีติเป็นปรจจัยฐานหากจะมีผู้ท้วงติ่งว่าก็แหลชานุเปกขานี้โดยความหมายก็คือตัตตะมัชาตุเปขานั่นเอง และตัตระมัชจาตุเปขานั้นย่อมมีมาแม้แต่ในปฐมฌานและทุติยฌานแล้วเพราะเหตุ น, นั้นแม้ในปฐมฌานและทุติยฌานนั้นก็ควรที่จะต้องแสดงชานุเปขานี้ไว้ด้วยคำว่าอุเปกโกจะวิหารติซึ่งแปลว่าเป็นผู้เห็นเสมอกันอยู่แต่เหตุฉไนจึงไม่ทรงแสดงชานุเปขานั้นไว้เล่า ข้าพเจ้าขอแถลงแก้ว่าที่ท่านไม่แสดงชานุเปกขาไว้ในปฐมฌานและทุติยฌานนั้นเพราะชานุเปกขายังไม่มีหน้าที่ปรากฏจริงอยู่หน้าที่ของชานุเปกขาในปฐมฌานและทุติยฌานนั้นยังไม่ปรากฏชัดเพราะถูก้าศึกทั้งหลายมีวิตกเป็นต้นกันท่าไว้แต่ในตติยฌานนี้ ชานุเปกขานี้เกิดมีหน้าที่ปรากฏชัดเป็นเสมือนโงศีรษะขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีวิตกและวิจารกันท่าแล้วเพราะเหตุนั้นจึงทรงแสดงไว้อ ธ, ธิบายอย่างสิ้นเชิงของคำว่าเป็นผู้เห็นเสมอกันอยู่ยุติด้วยประการชนนี้ อธิบายผู้มีสติมีสัมปัชชัญญะบัท น, นี้จะอธาธิบายในคำว่าเป็นผู้มีสติมีสัมปัชชัญญะต่อไปบุคคลใดย่อมระลึกได้ฉะนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าผู้ระลึกได้คือผู้มีสติบุคคลใดย่อมรู้โดยชอบฉะนั้นบุคคลนั้น ชื่อว่าผู้รู้โดยชอบคือผู้มีสัมปัตชัญญาพึงทราบว่าท่านแสดงสติสัมปัตชัญญาด้วยบุคลาทิฏฐานในสติและสัมปัตชัญญานั้นสติมีความระลึกได้เป็นลักษณะมีความไม่ลืมเป็นรสมีความอารักขาเป็นอาการปรากฏสัมปัตชัญญามีความไม่หลงเป็นลักษณะ มีความไตรตรองเป็นรสมีความส่องเห็นเป็นอาการปรากฏจำปรารถนาสติและสัมปัชัญยะในฌานเหล่านั้นถึงแม้ว่าสติและสัมปัชัญญะนี้จะมีมาแต่ในฌานต้นๆแล้วก็ตามเพราะเหตุที่โยคีบุคคลเพลสติไม่มีสัมปัชัญญะนั้นแม้เพียงขั้นอุปจาระฌาน ก็สำเร็จไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงขั้นอัปนาฌานกันละแต่กระนั้นการดำเนินไปของจิตก็เป็นความสะดวกสบายเพราะฌานเหล่านั้นเป็นสภาพที่หยาบเปรียบเหมือนการเดินไปบนพื้นแผ่นดินของบุรุษและหน้าที่ของสติและสัมปชัญญะในฌานต้นๆ น, นั้นก็ยังไม่ปรากฏส่วนฌานนี้ เพราะเป็นสภาพที่ละเอียดโดยเหตุที่ละองค์ชาญที่หยาบแล้วจึงจำต้องปรารถนาการดำเนินของจิตที่มีสติและสัมปชัญญะทำหน้าที่ประครับประคองอย่างแน่นอนเปรียบเหมือนการเดินไปใกล้คมมีดของบุรุษเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงคำว่าเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะไว้แต่ในตัติยะชาญ น, นี้ เรียบสุขเหมือนลูกโคติดแม่พึงทราบอถาธิบายยิ่งขึ้นไปอีกสักเล็กน้อยเหมือนอย่างลูกโคที่ยังติดแม่โคนมอยู่ถึงจะถูกพรากไปจากแม่โคนมแล้วเมื่อไม่คอยระวังรักษาไว้ให้ดีมันก็จะวิ่งเข้าไปหาแม่โคนมอีกโดยทันทีฉันใดอันสุขในตติยชา น, นี้ก็เหมือนกันอันโยคีบุคคล รากออกจากปีติแล้วเมื่อไม่ได้รักษาไว้เป็นอย่างดีด้วยเครื่องอารักขาคือสติและสัมปัตยัญญาแล้วมันก็จะพึงกลับเข้าไปหาปีติอีกโดยทันทีคือพึงประกอบกับปีตินั่นแหละฉันนั้นอีประการหนึ่งถึงแม้ว่าสัตว์ทั้งหลายจะกำนัดยินดีนักในสุขและสุขนี้เล่า ก็เป็นสิ่งที่อร่อยยิ่งนักสำหรับสัตว์ทั้งหลายเพราะนอกเหนือไปจากสุขนั้นแล้วก็ไม่มีสุขอะไรถึงกระนั้นในตัติยชานี้ไม่มีความกำนัดยินดีในสุขก็ด้วยอนุภาพแห่งสติและสัมปัตัญญาเท่านั้นมิใช่ด้วยเหตุอย่างอื่นเพราะฉะนั้นนักศึกษาพึงทราบว่าที่ทรงแสดงคาว่าเป็นผู้มีสติมีสัมปััญญะ นิไว้เฉพาะแต่เนตติยาชา น, นี้ก็เพื่อที่จะส่งชี้ถึงความหมายอันพิเศษกว่ากันดังที่พ น, นามานี้อธิบายสวยสุขด้วยนามากายบัดนี้จะอาธิบายในคำว่าและได้สวยสุขด้วยนามากายนี้ต่อไป โยคยีบุคคลผู้เข้าอยู่ในตัติยาฌานย่อมไม่มีความผวองในการสวยสุขโดยแท้แม้ถึงความจริงจะเป็นเช่นนี้ก็ตามแต่เพราะเหตุที่สุขของโยคยีบุคคลเข้าอยู่ในตัติยาฌานนั้นประกอบอยู่กับนามกายประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเพราะเหตุที่โยคียบุคคล น, นั้นถึงแม้จะออกจากฌานแล้วก็จะพึงได้สวยสุขเพราะรูปกายของท่าน อันรูปที่ประนีต ย, ยิ่งซึ่งมีสุขอันประกอบอยู่กับนามกายนั้นเป็นสมุดฐานแผ่ซ่านไปทั่วแล้วดังนั้นเมื่อจะชี้ถึงซึ่งความหมายดังกล่าวนี้จึงได้ทรงแสดงไว้ว่าและได้สวยสุขด้วยนามกายชนนี้ อธิบายเป็นเหตุให้พระอริยเจ้าสันเสริญผู้บรรลุว่าเป็นผู้เห็นเสมอกันมีสติอยู่เป็นสุขบัดนี้จะอธิบายในคำว่าอันเป็นเหตุให้พระอริยเจ้าทั้งหลายสันเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เห็นเสมอกันมีสติอยู่เป็นสุขดังนี้ต่อไปในคำนี้นักศึกษาพึงทราบการเรียงเข้าประโยคอย่างนี้คือ พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมตรัสบอกย่อมทรงแสดงย่อมทรงบัญญัติย่อมทรงตั้งไว้ย่อมทรงเปิดเผยย่ยอมทรงจำแนกย่อมทรงทำให้ตื่นย่อมทรงประกาศคือย่อมทรงสรนเริญซึ่งบุคคลผู้เข้าอยู่ในตาติยะฌานนั้นเพราะมีฌานใดเป็นเหตุเพราะมีฌานใดเป็นการ สันเสริญว่าอย่างไรสันเสริญว่าเป็นผู้เห็นเสมอกันมีสติอยู่เป็นสุขชะนนี้โยคีบุคคล น, นั้นบรรลุแล้วซึ่งฌานนั้นได้แก่ตัติยชฌานอยู่เหตุที่พระอริยเจ้าสันเสริญถามก็แลเพราะเหตุไรพระอริยเจ้าเหล่านั้นจึงสันเสริญบุคคลผู้ได้บรรลุตัติยชฌานนั้นอย่างนี้ ตอบเพราะเป็นผู้สมควรแก่การสรรเสริญอธิบายว่าบุคคลผู้ได้บรรลุตัติยชานนี้ยอมเป็นบุคคลสมควรแก่การสรรเสริญนั้นเพราะเหตุที่เป็นผู้เฉยเฉยในตัติยชานแม้อันเป็นสุขที่มีรสอร่อยอย่างยิ่งถึงซึ่งความเป็นยอดสุดแห่งความสุขและอันความสุขจุดดึงเข้าไว้ในสุขนั้นไม่ได้ และปีติจะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยประการใดก็เป็นผู้มีสติตั้งมั่นอยู่ด้วยประการนั้นดังนี้ประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งเพราะเหตุที่ได้สวยความสุขอันสะอาดด้วยนามกายที่พระอริยเจ้าใครแล้วที่อริยชนสองเสพแล้วด้วยประการชนนี้นักศึกษาพึงทราบว่า พระอริยะเจ้าทั้งหลายเมื่อจะประกาศคุณอันเป็นเหตุแห่งความสันเสริญเหล่านั้นจึงได้สันเสริญซึ่งบุคคลผู้ได้บรรลุตัติยชฌานนั้นโดยเป็นผู้สมควรแก่การสัเสริญอย่างนี้ว่าเป็นผู้เห็นเสมอกันมีสติอยู่เป็นสุขชะนี้อธิบายตัติยชฌาน คำว่าตติยะชาญที่แปลว่าชาญที่สามนั้นมีอัธาธิบายว่าชาญนี้ชื่อว่าตติยะหรือที่สามเพราะเป็นลำดับแห่งการคำนวณอีกอย่างหนึ่งชานนี้ชื่อว่าเป็นที่สามเพราะเหตุที่โยคีบุคคลย่อมเข้าสู่เป็นอันดับที่สามดังนี้ก็ได้ตติยะชานละองหนึ่ง ก็แลในคําที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าละองค์หนึ่งประกอบด้วยองสองนั้นมีอัธยาที่บายว่านักศึกษาพึงทราบว่าตัติยะชาละองค์หนึ่งนั้นด้วยอํานาจการละซึ่งปีติและปีตินี้นั้นอัญโยคีบุคคลละได้ในขณะแห่งอัปปนาเช่นเดียวกับวิตกและวิจารณ์ของทุติยะชาลที่โยคีบุคคลละได้ขณะแห่งอัปปนานั้น ด้วยเหตุนั้นปีตินั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นองค์สำหรับละของตติยะชานนั้นตติยะชานประกอบด้วยองค์สองส่วนข้อว่าตติยะชานประกอบด้วยองค์สองนั้นนักศึกษาพึงทราบด้วยอำนาจแห่งการเกิดขึ้นแห่งองค์สองนี้คือสุขหนึ่งจิตเตกักขะตาหนึ่ง เพราะฉะนั้นในคำพีวิพังที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าคำว่าฌานได้แก่อุเบกขาสติสัมปัชัญญาสุขและจิตเตกัคตาดังนี้ข้อนั้นทรงแสดงไวโดยอ้อมเพื่อจะทรงแสดงถึงฌานพร้อมทั้งเครื่องปรุงแต่งแต่เมื่อว่าโดยตรงแล้วตติยะฌานนี้ประกอบด้วยองค์สองเท่านั้น ด้วยอำนาจแห่งองค์ที่ถึงซึ่งลักษณะที่เพ่งได้โดยยกเอาอุเบกขาสติและสัมปัชญะญออกสมดานที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าฌานประกอบด้วยองค์สองย่อมมีในสมัยนั้นได้แก่อะไรได้แก่สุขหนึ่งจิตเตกะคตาหนึ่งชนนี้คำที่เหลือมีนัยยะดังที่พันณามาแล้วในปฐมฌานนั่นแหละ